พระบัญญัติหกรอย็พก็ภิกษุใดออกปากขอได้มาเองแล้วใช้ช่างหกให้ทอจีวรต้องอบัตินิสกิยปาจิตตีเรื่องพระชพคีจบ